สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปรียซูตอนที่สองร้อยแปดสิบเอ็ดเรื่องคำอธิษฐานของเปเรียซูรครั้งที่ห้าสิบหกขอส่งโปรโดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับผมได้พูยให้ฟังและพูดเกี่ยวกับเนื้อหาหลายวันมาต่อกันนะครับเกี่ยวข้องเรื่องของเวลาที่เราอธิษฐานขอพระเจ้า โปรดยกโทษความผิดบาปของพวกเรานั้นแน่นอนครับเราเองนั้นจะต้องเข้าไปถึงจุดที่ถือว่าการอภัยโทษบาปนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นสําคัญอย่างยิ่งยวดครับและอย่าลืมครับว่าอุปนิสัยที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คืออุปนิสัยของการเสียได้เสียใจนะครับเสียได้เสียใจที่เราได้ทําบาป เสียใจที่เราทำบาปเสียดายที่เราไม่ได้ทำตามาพระประสงค์ของพระเจ้าในขั้นเดียวกันครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องของการอภัยโทษบาปนะครับการอภัยโทษบาปนั้นมีอยู่สองแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งนั้นก็คือการอภัยโทษในเชิงศาลครับหรือในเชิงการพิจารณาคดีส่วนอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการอยอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพนะครับ เราจะค่อยๆดูในเรื่องของการอภัยโทษในเชิงศาลนะครับซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเราถือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้พิพากษาพรงตรัดว่าเจ้ามีความผิดเจ้าละเมิดกฎจะต้องถูกพิพากษาตัดสินและรับการลงโทษแต่ผู้พิพากษาคนเดียวนี้ครับก็ได้ตัดต่อไปว่าจากการสิ้นประชนของพระเยซูนั้นพระองค์ได้ทรงรับการลงโทษของเราไปแล้ว พระองค์ทรงรับความผิดแทนเราแล้วครับพระองค์เปียสูทรงชําระนีิบาปของเราแต่ละคนตามราคาและพระเจ้าก็ประกาศว่าเราได้รับการอภัยโทษเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนี่คือหลักการพระเจ้าในฐานะที่เป็นผู้พากษารครับพระองค์ก็จะโปรดอภัยโทษความผิดบาปของเราความบาปได้กล่าวไปแล้วนะครับทั้งอดีตปัจจุบัน และอนาคตความบาปที่เราได้ทําไปแล้วเรากําลังทําอยู่และเรากําลังจะทำล้วนได้รับการอภัโทษจากพระเจ้าแล้วเ น, น่งสิ้นพี่น้องครับเราได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมอย่างมั่นอกมั่นใจมั่นคงมากและตลอดไปครับความบาปทั้งสิ้นถูกลบล้างถูกยกไปและได้รับการอภัยโทษ เป็นเรื่องที่สุดยอดนะครับเป็นเรื่องที่วิเศษเป็นเรื่องมา ส, สจรรัรนวันเดอร์ฟูลพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะรารกิจที่ประหยัสกิตได้ทรงกระทานบนไม่กังเขนครับคำถามก็คือว่าหลายคนก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ว่าคนคนเดียวจะตายแทนคนทั้งโลกได้อย่างไร เพราะเหตุที่ว่าคนคนเดียวเนี่ยคือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระเยซูคริสต์พระเจ้านั้นได้กำหนดให้คนคนเดียวตายแทนเหมือนกับที่พระเจ้าในเพิ่มพีเดิมได้กำหนดให้การถวายบูชาลูกแกะเป็นการถวายบูชาเพื่อไถ่โทษหรือไถ่าบาปประชากรทั้งประเทศชนชาติอิสราเอลทั้งหมดครับ พี่น้องครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาโปรงจึงได้รับพระสมัญญานามว่าพระเมสปะดกของพระเจ้าซึ่งแปลว่าลูกแกะของพระเจ้านั่นเองการรับการประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางสารครับในมัทธิวบทที่ยี่สิบกข้อยี่สิบแปดพี่น้องครับได้กล่าวถึง การตั้งพิธีมหาเซนชักศิธย์เะเยสุตัดเมื่อหยิบจอกขึ้นมาด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกโทษคนเป็นอันมากอย่างเขาชัดเจนนะครับว่าเมื่อเราเข้าสู่พันธสัญญาเราได้รับการย ก, ยกโทษในขณะเดียวกันครับ ด้วยพระโลหิตของพระเยซูนั้นโลหิตคือชีวิตนะครับด้วยชีวิตของพระเยซูซึ่งสิน้นพระชนบนไม้แหงเข่งทําให้เราทั้งหลายได้รับความรอดได้รับการอภัยโทษบาปที่เกิดจากพระเจ้าครับต่อไปนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการให้อภยัยการยกโทษบาปนะครับพระวจนะในตอนแรกอยู่ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดครับ ท่านอคาทูตเปาโลกล่าวว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่าบาปโดยโลหิตของโปรงคือได้รับการอภัยโทษบาปรับการไถ่นะครับรับการอภัยโทษบาปล้วนแลมาจากพระเยซูทั้งสิ้นรับการไถ่ก็คือการที่ผู้ไถ่นั้นจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อที่จะได้มาซึ่งเรานะครับ กานหมายความว่าพระเยซูจะต้องเสียพระชนชีพของพระองค์เพื่อที่จะได้ชีวิตเรากลับคืนมาในขณะที่เราได้รับการแญ่พระบาปนั้นมีผู้หนึ่งต้องรับบาปแทนเรานะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเราครับนี่พระธรรมตอนแรกนะครับ กัมภีตอนที่สองคือในหนึ่งยอนบทที่สองข้อสิบสองครับหนึ่งยอนบทที่สองข้อสิบสอง้กล่าวว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะว่าได้รับเพราะว่าได้ทรงยกบาปของท่านแล้วด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ที่นี่ผู้ชัดเจนนะครับในขณะที่ท่านยอนซึ่งเป็นอารทูตยอนนะครับได้เขียนไปถึงบรรดาผู้เชื่อ ที่ได้อ่านจดหมายของท่านบอกว่าเราทั้งหลายซึ่งผู้เชื่อนั้นได้รับการยกโทษบาปได้รับการทรงยกโทษบาปแล้วเพราะพระนามของพระเยซูครับเพราะฉะนั้นพระนามของพระเยซูนั้นเป็นพระนามที่แสนอาศจร์เป็นพระนามเลิศประเสริฐเป็นพระนามที่นำการอภัยโทษการยกบาปได้ครับนี่เป็น พระกัมภีตอนที่สองครับพระกัมภีตอนที่สามครับอยู่ในเอเฟซัสบทที่สี่ข้อที่สามสิบสองนะครับอัครทูตเปาโลเช่นเดียวกันครับท่านเขียนอย่างนี้เหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์เห็นไหมครับคำคำนี้มีความหมายลึกซึ้งมากคาว่าในพระคริสต์เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปครับใครก็ตามที่ สมักใจหรือเคลื่อนตัวเองเข้ามาอยู่ใต้ร่มนะครับหรือว่าอยู่ในพระกิจใต้ร่มแห่งพระคุณของพระเยซูพี่น้องครับตรงนั้นแหละครับเราได้รับการยกโทษบาปได้การไพร่โทษเ พ, พิ่งมีตอนที่สี่ครับโครเสียบที่สองข้อสิบสามโครเสียบที่สองข้อสิบสามอัคราเปาโลท่านเดียวกันนี้นะครับท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับ และท่านที่ตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่านและด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านมิได้เข้าสุนัตพระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่านพระองค์ทรงฉีกกรรมทันซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบ เอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขนนะครับนี่เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับว่าขณะที่เราได้รับการยกโทษให้อภัยการล่วงละเมิดของเรานะครับขณะที่พระเยซูกําลังถูกตึงไว้บนกางเขนนั้นนั่นเป็นขณะเดียวกันที่พระเยซูกําลังฉีกกรมทัน กรรมฐานคือสัญญาณครับที่ได้ผูกมัดเราผูกมัดเราด้วยด้วยเลยครับหรือโด ย, ยครับด้วยโดยบัญญัตินะครับบัญญัติต่างๆซึ่งขัดขวางเราแสดงว่าบทบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ต่างๆนั้นหรือธรรมบัญญัตินั้นในแง่หนึ่งก็ขัดขวางเราครับขัดขวางเราให้อะไรครับขัดขวางเราให้ เรารู้ว่าเราทําบาปและเมื่อเราทําบาปนั้นเราไม่สามารถเข้าหาพระเจ้าได้ครับนั่นคือการขัดขวางในแง่หนึ่งเป็นความหมายในแง่หนึ่งของธรรมบัญญัตินะครับธรรมบัญญัตินั้นมีวัตถุประสงค์หลายอย่างก็คือว่าชี้ถูกชี้ผิดชี้น้ำมัตไถ่ของพระเจ้าในคะแนนด้วยกันครับในด้านลบก็คือถ้าใครทาผิดแล้วเขาจะถูกขัดขวางมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถเข้าไปถึงพระเจ้าได้ เมื่อเขาทำผิดหรือเขาทำบาปพี่น้องครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่านี่คือสิ่งที่ขัดขวางเราพระกังปีตอนนี้ได้บอกว่าพระเยซูนั้นถูกตรึงไว้บนกางเขนครับทำให้เลยครับทำให้กฎเกณฑ์ที่เกิดจากธรรมบัญญัติต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นโมฆะไปครับนั่นหมายความว่ามันไม่มีหรือมันไม่มีแรงนะครับที่จะแสดงออกทางลบได้ต่อไปแล้วครับ ครับในเช้าวันนี้นะครับเราได้เห็นและได้ยินฟังถึงพระภีพีทั้งสี่ตอนนี้พี่น้องครับในสมัยนั้นอาชญากรจะต้องถูกตรึงพร้อมกับบันทึกอาชญากรรมของเขาซึ่งตอกไว้บนยอดของกางเขนเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าทำไมเขาต้องถูกตรึงกางเขนพปเยซูก็เช่นเดียวกันครับเปเยซูนั้นก็ถูกตรึงและมีป้ายอยู่บน เหนือศีษะของพระเยซูนะครับเราบอกว่าเยซูนะครับชาวนาซเรสเนี่ยกษัตริย์ของพวกอยู่เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อหาของพระเยซูเมื่อพระเยซูถูกตึงแมง เ, เขียนพี่น้องครับณเวลานี้ชาวโลกรู้แล้วครับโดยก็อย่างยี่งประจากกรของพระเจา้าซึ่งเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นกษัตริย์ นะครับกษัตริย์ในหัวใจของเรารเปียสูสิ้นพระชนม์บนไม้เขน็นพรงฉีกเอาหน้ากระดาษที่บันทึกความผิดบาปของเราไปนะครับพระเยซูฉีกหน้ากระดาษที่บันทึกความผิดบาปของเราไปจากหนังสือแห่งความผิดบาปรวบรวมมันเข้าไว้ด้วยกันแล้วตรึงบนไม้เขน็นราวกับว่าอาชญากรรมเหล่านั้นเป็นของพระองค์เองครับนั่นคือการรับโทษบาปแทนเรา และเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์พระองค์ก็ได้ทรงรับโทษแทนเราคือความตายนั่นเองและพระเจ้าก็ทรงลบล้างความบาปของเราไปหมดพี่น้องครับนี่คือการอภัยโทษในเชิงสารครับเรารับรู้แล้วนะครับว่าเราทั้งหลายได้รับการอภัยโทษ โ, โดยสิ้นเชิงและตลอดไปครับพี่น้องนะครับเราทั้งหลายได้รับการอภัยโทษ โ, โดยสิ้นเชิงและตลอดไปในพระเยซูช่างเป็นเรื่องที่น่า ชื่นชมดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านครูเปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมบทโรมครับบทที่แปดข้อสามสิบสี่ได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกแสดงว่าไม่มีใครที่จะปรับโทษเราได้นะครับแม้กระทั่งมารซาตานมันก็ไม่สามารถปรับโทษเราได้เพราะว่าเราได้รับการอภัยโทษแล้วพี่น้องครับนี่เป็นความมั่นใจสุดๆนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํำบาปและเรากลับใจใหม่ เราสำนึกเสียใจกับความผิดบาปของเราเราทูลขอการไม่โทษจากพระเจ้าพี่น้องครับเรามีความมั่นใจได้ร0เปอร์เซ็นครับว่าพระเจ้ายกโทษให้กับเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าเกิดความรู้สึกผิดอีกต่อไปครับอย่าจมอยู่กับสิ่งที่หลอกล้อเราว่าเราเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเราไม่รักดี เรารักความชั่วร้ายก็ขอให้มันชั่วร้ายไปให้สุดๆไปเลยพี่น้งกับนี่เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับไม่มีผู้ใดจะปรับโทษเราได้อีกไม่มีสิ่งใดที่สามารถแยกผมออกจากความรักของพระเจ้าได้พี่น้องครับไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้อาเมน